21การปฏิบัติทำเหมือนกันแต่การละสังโยชน์ไม่เหมือนกันวงเล็บเปิดยี 24. มิถุนายน25งพ้าหจุดจุดนาทีเกวงเล็บปิดหลวงพ่อสอนมีผู้รู้ผู้ดูนะหลวงพ่อคำเขียนท่านเรียกผู้เห็นมีผู้เห็นตรงที่จิตมีผู้เห็นนั่นแหละจิตมันมีสัมมาสมาธิคือมันตั้งมั่นเป็นคนดูเป็นคนรู้เป็นคนเห็น เห็นกายเห็นใจเขาทํางานไปเรื่อยๆสติระลึกรู้กายสติระลึกรู้ใจด้วยจิตที่มีสมาสมาธิตั้งมั่นสักว่ารู้สักว่าเห็นไม่ไหลเข้าไปแช่ในขณะเดียวกันก็ไม่ลืมตัวถ้าลืมตัวไปก็ใช้ไม่ได้ถ้าเข้าไปตั้งแช่ไว้ในอารมณ์ก็ใช้ไม่ได้มันแค่รู้รู้ผ่านๆเห็นทุกอย่างไหลามาไหลไปไหลามาไหลไปรู้แต่แต่ และแล้ววางแต่แล้ววางไปรู้ไปอย่างนี้เองไม่มีการปฏิบัติที่ยิ่งกว่านี้หรอกตั้งแต่ต้นสายจนสุดสายเลยนะปฏิบัติแบบเดียวกันนี่แหละบางคนเคยสงสัยหลวงพ่อยังเคยสงสัยนะว่าพระโสะดาบันปฏิบัติแบบหนึ่งพระสะกิทาคามีอนาคามีทําคนละแบบคนละอย่างกันหรือเปล่าที่แท้ทําอย่างเดียวกันนี่แหละแต่การละสังโยชน์ละไม่เหมือนกันละสังโยชน์เบื้องต้นนี่ละด้วยการเห็นความจริงเห็นด้วยทัศนะ ละสังโยชน์เบื้องปลายนี่อาศัยการเจริญสติมากๆจนใจตั้งมั่นมีสัมมาสมาธิเกิดปัญญาอย่างแท้จริงอันนี้เรียกว่าละด้วยภาวนาคือการเจริญสติดังนั้นละเบื้องต้นไม่ยากอะไรนะคอยรู้ลงที่กายที่ใจแล้วเห็นว่ามันไม่ใช่เราเห็นไปเรื่อยๆแหละจนวันหนึ่งใจมันยอมรับว่าไม่มีเราร่างกายไม่ใช่เราเป็นแค่ของถูกรู้ถูกเห็นเวทนาไม่ใช่เราเป็นแค่ของที่ถูกรู้ถูกเห็น สัญญาความจําได้หมายรู้จํารูปเสียงกลิ่นรสโพธพภะธรรมรมได้ก็เป็นแค่ของถูกรู้ถูกเห็นสังขารที่เป็นกุศลขีดอกุศลก็เป็นของถูกรู้ถูกเห็นอีกอะไรอะไรก็เป็นแค่ของถูกรู้ถูกเห็นกระทั่งจิตที่เกิดดับทางตาหูจมูกลิ้นกายใจก็ถูกรู้ถูกเห็นสิ่งใดที่ถูกรู้ถูกเห็นได้สิ่งนั้นไม่ใช่เราหรอกเป็นสิ่งที่ไปรู้เข้าเท่านั้นเอง ดังนั้นกระทั่งนิพพานก็เป็นสิ่งที่ไปรู้เข้าเท่านั้นเองเป็นอารมณ์ที่เราไปรู้เข้าดังนั้นนิพพานก็เป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวเราอีกดูไปดูมานะทั้งจั ก, กรวาล น, นี้หาตัวเราไม่มีตัวเราเกิดจากความคิดความหลงผิดในความเป็นจริงร่างกายไม่เคยบอกว่าเป็นตัวเราจิตใจก็ไม่มีตัวเราที่แท้จริงตอนหลวงพ่อเด็กๆนะเคยเล่นกับเพื่อนบอกว่ามาจับตัวกันเราจะจับมันนะมันวิ่งหนีไปเราจับได้นะ มันก็ยอมรับสภาพว่าเราจับตัวมันได้แล้วถึงคราวเราหนีมั่งเราวิ่งนิดๆหน่อยๆนะมันจะเข้ามาจับบอกจับตัวได้แล้วหลวงพ่อบอกว่ายังจับไม่ได้ที่จับอยู่นี่จับมือไม่ได้จับตัวเราซะหน่อยมันเลยโดดรวบเอวเราเลยเราก็บอกว่านี่จับเอวไม่ได้จับตัวเราซะหน่อยมันชักงงนะว่าตัวเราอยู่ที่ไหนไม่รู้ว่าเล่นไปได้อย่างไรนะจริงๆแล้วมันคือการแยกเพราะแยกแล้วตัวเราหายไปหลอกให้เพื่อนจับ เพื่อนจับไม่ได้สะทีโดยที่เราไม่ต้องวิ่งหนีแล้วแต่มันแพ้เรานะจับตัวเราไม่ได้มันหาตัวเราไม่เจอไม่ใช่หายตัวไปไหนนะนี่เล่นอย่างเด็กๆ